เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจขุสงทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21มิถุนาเยนพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาสร้างบุมสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างตัวเองให้เป็นคนดีให้เป็นมนุษย์ที่ดีให้เป็นเทวดาให้เป็นอินเป็นทองเป็นพระอริยเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคาสอนเพื่อปั้นจิตใจของพวกเราให้เป็นมนุษย์ ให้เป็นเทพให้เป็นพรให้เป็นพระอริยบุคคลนั่นเองถ้าพวกเราปรารถนาการเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทพก็ดีเป็นพรก็ดีเป็นพระอริยบุคคลก็ดีพวกเราจำเป็นจะต้องมีคุณธรรมสี่ประการด้วยกันที่จะปั้นจิตปั้นใจของเราให้เป็น คนดีเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยบุคคลคุนธรรมสีประการนี้คืออะไรคือหนึ่งความเมตตา 2. ความการุณา 3. ความมุดิตาและสความอุเบคานี่คือคุณธรรมสีประการที่จะทำให้จิตใจของเรา คิดดีพูดดีทำดีจะทำให้จิตใจเราสูงทำให้จิตใจเราสะอาดทำให้จิตใจของเราเป็นมีแต่ความสุขนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสุขใจความสุขทางร่างกายความสุขทาง ล, า, ง า, า, า, งลาบยกสรรเสริญเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขปลอมเพราะเวลาความสุขเหล่านี้จางหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่แต่ความสุขที่ได้จากการสร้างคุณธรรมสีประการนี้จะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวและจะอยู่คู่ไปกับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด เพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่เหมือนกับร่างกายและสิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาได้เช่นลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือชั่วคราวมีมาแล้วก็ต้องมีไป มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากให้เขาไปเวลาเขามาเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดแต่ไม่มีใครอยู่ในโลกนี้ไปได้ตลอดทุกคนมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปกันเวลาไปก็เสีย อ, อกเสียใจร้องหหยร้องไห้เพราะอยากให้เขาอยู่แต่ห้ามเขาไม่ได้ เพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ใช่เป็นของเราเราไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราได้นอกจากคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างกันขึ้นมาสิ่งที่เป็นของเราก็คือความเมตตาการุณามมริตาโอเบขาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขาต่อให้เป็นประธานาธิปดีเป็นมหาจักรพันเป็นพระราชามหากรย์ก็สู้การมีคุณธรรมสี่ประการนี้ไม่ได้เพราะความสุขที่ได้รับจากคุณธรรมสี่ประการนี้เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการเป็นมหาเศรษฐีจากการเป็น พระราชามหากริย์นนี่แหละคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสตรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราที่ยังไม่รู้ยังหลงคิดกันว่าความสุขนั้นอยู่ที่การได้ลากยศสรรเสริญได้รูปสิ่งกิ่ิยลดผวดทพะแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามันเป็นทุกข์ เพราะว่ามันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเพราะพุทธเจ้าก็เคยมีราภยศสารเสริญสุขของพระราชโอรสแต่พระพุทธเจ้าไม่หลงเพราะทรงเห็นว่าไม่ช้าก็เร็วจจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเพราะร่างกายของพระองค์ก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วในที่สุดก็จะต้องตายไปความสุขที่ได้รับจากราบรศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะก็จะสูญหายไปหมดพระองค์จึงทรงสละราชสมบัติเพื่อที่จะมาสร้างคุณธรรมที่วิเศษให้อยู่ในใจให้ความสุขแก่ใจ ผู้ใดสามารถจเจริญเมตตากรุณามุิตาอุเบคขาได้จะมีความสุขเช่นติินก็มีความสุขหลับก็มีความสุขจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะไม่ถูกทำลายถูกฆ่าด้วยสัตว์ราวุธ ต, าต่างๆ เช่นยาพิษหรือของของแหลมของคนหรืออาวุธปืนลูกระเบิดเวลาตายไปก็จะไปสู่สุคติไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทพไปเป็นพรหมไปเป็นพระาอาริยบุคคลเป็นพระพุทธเจา้าเป็นพาาระาอารหันนี่คืออนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการเจริญ เมตตากรรมนามุทิตาอุบเบกขาการเจริญ น, นี้ก็มีสองลักษณะด้วยกันการเจริญแบบทำการบ้านกับการเจริญแบบเข้าห้องสอบเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์กันและเราสวดสัพเพสัตตาอเวราหนตุนี้เราเรียกว่าเป็นการทำการบ้านเป็นการซ้อมไว้ก่อน ซ้อมไว้เวลาที่เราเจอเข้อสอบเวลาเจอคนเขาด่าเราว่าเราเราต้องแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ความโกรธความเกลียดเพราะความโกรธความเกลียดจะทาให้เราไปทำบาปทากรรมถ้าเราแผ่เมตตาก็จะทําให้เราไปทําความดีกันดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบได้ เราก็ต้องทำการบ้านกันไว้ก่อนที่เราสวดมนสัพเพสัตตาอเวราหตุตอนที่เราตอนท้ายของบทสวดมนต์เพื่อเป็นการเตือนใจเป็นคมสอนใจให้เราหัดแผ่เมตตาตอนนี้ก่อนถ้าเราแผ่ไม่เป็นเดี๋ยวเวลาไปเจอเหตุการณ์เข้าจะแผ่ไม่ออก แทนที่จะให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองก็จะโมโหโทโสโวยวายว่าคนนั้นว่าคนนี้หรือทุกทุกตีทําลายข้าวของต่างๆนี่คือลักษณะของคนที่ไม่ได้ทําการบ้านไม่ได้ซ้อมไว้ก่อนเหมือนกับนักมวยก่อนที่จะขึ้นเวทีเขาก็ต้องซ้อมก่อน ถ้าไม่ซ้อมขึ้นไปเดี๋ยวก็ถูกนอกชันใดผู้ที่ไม่ซ้อมจเจริญแผ่เมตตากรุณามุดิตาอุบเบกขาวไว้ก่อนพอถึงเวลาเจอเหตุการณ์จริงจะทำไม่ได้จะสอบตกแทนที่จะให้อภัยกลับไปจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทแล้วก็ไปทำบาป ท, ทำกรรมสร้างเวรสร้างกรรม ไปติดคุกติดตารางไปสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะไม่ได้ซ้อมกันไว้ก่อนนั่นเองวิธีซ้อมแผ่เมตตาก็คือเราต้องคิดสมมุติว่าถ้ามีใคร้ามาด่าเรามาว่าเรามาทำให้เราเสียใจไม่สบายใจเราต้องแผ่เมตตา คือให้อภัยอย่าถือโทษโกรธเคืองให้มีความปรานาดีถ้าเขาการกระทาของเขาเป็นการทำให้เขามีความสุขเราก็ยกความสุขนี้ให้กับเขาไปเหมือนกับเวลาเราไปอวยพรวันเกิดเอาข้าวเอาของไปให้คนที่เขามีวันเกิดเพราะเราอยากจะให้เขามีความสุข ชั้นใดถ้าคนเขาด่าเราหรือทำร้ายเราแล้วทำให้เขามีความสุขก็ถือว่าเป็นเหมือนกับการอวยพรวันเกิดไปก็แล้วกันถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราจะไม่โกรธใครไม่ว่าใครจะประทุษร้ายเราอย่างไรจะพูดไม่ดีจะทำไม่ดีจะกั่นแกล้งจะหลอกลวงเรา จะแย่งชิงสิ่งที่เรารักเราหวงไปเราจะให้อภัยได้เราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองเพราะเราอยากจะเป็นเทวดาเราไม่อยากจะไปตกนรกถ้าเราแผ่ไม่ได้นี่ใจเราจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจะเป็นอาฆาตพยาบาทแล้วถ้าไปทำร้ายเขาเราก็ต้องไปรับใช้กรรมในอบายต่อไป นี่คืออนิสงของการแผ่เมตตาจะรักษาใจของเราให้มีความสงบมีความเย็นมีความสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับการกระทําต่างๆของผู้อื่นโดยที่เราก็ใช้หลักว่าใครทํากรรมอะไราไว้เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราไม่ต้องไปให้ผล เราไม่ต้องเป็นผู้ตัดสินไม่ต้องลงโทษเขาเดี๋ยวกรรมที่เขาทำนั่นแหละจะลงโทษเขาเองลักษณะนี้เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาก็คือเราจะไม่ตอบโต้ใครจะพูดอะไรทำอะไรไม่ดีเราจะเชื่อกฎแห่งกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่คือในกรณีที่เราแผ่เมตตาไม่ออกเราก็ใช้อุบเบกขาก็แล้วกันให้คิดว่าเขาทำอะไรเดี๋ยวเขาก็ต้องรับผลของกรรมนั้นกฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎตายตัวจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าทำแล้วจะต้องมีผลตามมา ถ้าพูดดีคิดดีทำดีผลดีก็จะตามมาถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลไม่ดีก็จะตามมาเราไม่อยากจะมีผลที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องไม่คิดไม่ดีไม่พูดไม่ดีไม่ทำไม่ดีวิธีที่จะไม่คิดไม่พูดไม่ทำไม่ดีได้ก็คือทำใจให้เป็นอุเบกขา การจะทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจถ้าไม่มีสติใจก็จะอยู่ในอุเบกขาไม่ได้เหมือนกับรถยนต์ถ้าต้องการให้รถจอดก็ต้องมีเบรกถ้ารถวิ่งแล้วอยากจะให้จอดถ้าไม่มีเบรกมันจะไม่จอดมันจะไม่หยุดฉันใดใจของเราถ้าเกิดความโกรธขึ้นมา เกิดความเกลียดเกิดความมาค่าพยาบาทขึ้นมาถ้าเราไม่มีสติเราจะหยุดความโกรธไม่ได้เราจึงต้องฝึกเจริญสติกันอยู่เรื่อยวิธีเจริญสติก็คือให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้เราสวดมนต์บทใดบทหนึ่งไปก็ได้เวลาใครมาทำให้เราโกรธเราก็บริกรรม พูดโทไปสวดมวนต์ไปภายในใจสวดไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวความโกรธก็จะหายไปถ้าเราไม่สวดเดี๋ยวความโกรธจะทำให้เราต้องไปพูดไม่ดีทำไม่ดีพอเราพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเขาเขาก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราแล้วเดี๋ยวก็จะต้องทำร้ายกันในที่สุดก็อาจจะถึงกับการฆ่ากันได้ พระไม่มีเบรกไม่มีสติยับยั้งใจพอทำไปแล้วก็มานั่งเสียใจในภายหลังนี่คือลักษณะของคนที่ไปทำบาเพราะว่าไม่มีเบรกมาหยุดใจเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีก็ระบายอารมณ์ที่ไม่ดีออกมาด้วยการกระทำที่ไม่ดีด้วยการพูดที่ไม่ดี แล้วก็ทำให้ผู้ที่เขาได้ยินได้ฝังได้รับก็ต้องตอบโต้กลับมาก็เลยทำให้ต้องทำร้ายกันทาลายกั น, ลกนแล้วก็ต้องไปรับโทษกันต่อไปแต่ถ้าเรามีเบรกมีการบริกรรมพุทธโธมีการสวดมนต์อยู่เรื่อยๆเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็จะหยุดได้หรือเวลาเกิดความโลภขึ้นมาเราก็จะหยุดได้ ถ้าเราไม่มีเราโลภอยากได้อะไรเราก็จะไปเอามา ท, าทันทีแล้วถ้าเราไม่สามารถไปเอามาโดยวิธีที่สุดจริตได้เราก็จะไปเอามาโดยวิธีทุจริตพอไปทาทุจริตแล้วเดี๋ยวก็ต้องรับผลไปรับทรัพย์ก็เดี๋ยวก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับเข้าขังคุกขังตรางไป นี่สาเหตุคือไม่มีอุเบกขาทําใจให้เฉยๆไม่ได้เวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเพราะไม่มีเบรกเราจึงต้องมาสร้างเบรกกันมาฝึกเจริญพุทโธพุทโธกันการเจริญเบรกเจริญพุทโธนี้เราสามารถทําได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเพราะการเจริญนี้เจริญที่ใจนั่นเองใจก็คือความ ความคิดปรุงแต่งต่างๆแทนที่จะปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้มาคิดแต่คำว่าพุโทโธพุโทโธยกเว้นในเวลาที่จะต้องคิดเรื่องที่จำเป็นเช่นเรื่องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรื่องทำภารกิจอะไรต่างๆตอนนั้นเราก็อยู่พุโทโธไว้ชั่วคราว เราคิดเสร็จแล้วเราก็มาพูดโทรกันใหม่ทำไปเรื่อยๆต่อไปเราจะสามารถที่จะหยุดอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีได้หยุดการกระทาที่ไม่ดีได้หยุดการคิดที่ไม่ดีได้หยุดการพูดที่ไม่ดีได้แล้วเราก็จะเป็นคนดีเพราะเราไม่ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้ใครเสียหายนั่นเอง นี่คือวิธีฝึกจเจริญอุบเบกขาต้องหานใช้สติถึง จ, จะวางใจให้เฉยได้ <c oughs> แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งวิธีที่จะวางใจให้เฉยก็คือให้เราคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นถึงแม้ ว, ว่าจะร้ายแรงขนาดไหนมันก็ยังดีกว่าเหตุการณ์ที่ร้ายแรงกว่านี้ที่ยังไม่เกิดขึ้น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 ไม่มีอะไรโลกนี้ไม่มีอะไรน่าอยู่น่ายินดีเลยมีอย่างเดียวที่น่าอยู่น่ายินดีก็เพื่อการสร้างความดีเท่านั้นเพราะสาร้างการสร้างความดีนี้จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะว่าถ้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อยู่ดีต้องมาเจอคนที่ไม่ชอบเราต้องมาเจอคนที่ด่าเรา ต้องมาเจอคนที่เขากันแกล้งทุกตีเราแล้วก็ต้องมาเจอคนที่เขาจะฆ่าเราดังนั้นขอให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้สบายใจเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เดือดร้อนเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คิดว่าดีแล้วยังไม่ตายเช่นไปขับรถเจออุบัติเหตุรถพลิก ค, คว่ บาดเจ็บก็คิดว่าดีแล้วยังไม่ตายหรือถ้าขโมยขึ้นบ้านก็คิดว่าดีแล้วยังไม่ตายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหาใหม่ได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ให้คิดในมุมมองที่ดีแล้วเราจะไม่เสียใจเราจะไม่มีความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นโกรธเลืองใครนี่คือเรื่องของอุเบกขา เรื่องของความกรุณาก็คือให้เรามีความสงสารเวลาเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเช่นเวลามีไฟไหม้น้ำท่วมพวกเราก็ช่วยกันบริจาคเงินทองบริจาคสิ่งของต่างๆให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนนี่เรียกว่าความกรุณาถ้าทุกคนมีความกรุณาทุกคนก็จะอยู่กันอย่าง ร่มเย็นเป็นสุขเพราะชีวิตของพวกเรานั้นไม่แน่นอนบางวันเราก็อาจจะไปตกทุกข์ได้ยากลำบากก็ได้แต่ถ้าทุกคนมีความกรุณาต่อกันก็จะช่วยเหลือกันจะดูแลกันความทุกข์ยากลำบากก็จะไม่สาหัสสากันจนทนไม่ได้จนถึงกับต้องฆ่าตัวตายหรือต้องไปทําบาป ไปพ่นไปจี้ไปทําร้ายผู้เพราะทุกคนดูแลกันช่วยเหลือกันสังคมจะไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีฆาตกรเพราะว่าไม่มีความจาเป็นจะต้องไปเป็นโจรผู้ร้ายเป็นฆาตกรเพราะเวลาตกทุกข์ได้ยากแบบร้อนก็มีผู้มาคอยดูแลมาคอยช่วยเหลือกันนั่นเองนี่คือความกรุณา และมุดิตาก็คือการให้มีความชื่นชมยินดีกับความสุขและความเจริญของผู้อื่นเวลาใครเขาได้ดิบได้ดีถึงแม้ว่าเราไม่ได้เราก็อย่าไปอิจฉาริษยาถึงแม้ว่าเขาจะได้สิ่งที่เราอยากได้แต่เรายังไม่ได้ก็อย่าไปดิบอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปอิจฉาริษยา วิธีที่จะไม่โกรธไม่เกลียดอิจฉาลิสยาก็คือให้เราแสดงความยินดีให้คิดถึงหัว อ, อกเขาหัว อ, อกเราถ้าเราได้ดิีได้ดี <c oughs> เขาก็ไม่ควรที่จะมาอิจฉาลิสยาเราเพราะเราก็ไม่ได้ไปทาร้ายเขาเราไม่ได้ไปแย่งอะไรจากเขาเราเพียงแต่ทำหน้าที่ของเราทำเหตุที่ดี เมื่อเราทำเหตุที่ดีเราก็ได้ผลที่ดีเขาก็ไม่ควรที่จะมาอิจฉาหรเยเราเราก็ไม่ควรไปอิจฉาหรือเสเขาถือว่าใครทาความดีก็ต้องได้รับความดีใครไม่ได้ทำความดีก็ไม่ได้รับความดีให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนเวลาคนอื่นเขาได้ดีได้ดีกัน แล้วเราจะได้ไม่ไปทําสิ่งที่ไม่ดีเช่นไปกันแกล้งเขาไปขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของเขาถ้าไปทําแล้วเดี๋ยวก็ต้องเกิดมีการต่อสู้กันมีการทําร้ายกันจะอยู่กันไม่เป็นสุขถ้าเรามีมุติตาชื่นชมยินดีเขาได้ดีก็ดีใจไปกับเขาเขามีความสุขเราก็มีความสุขะ นี่แหละคือการสร้างสิ่งที่ดีให้กับจิตใจของเราถ้าเราสามารถแผ่เมตตาจเจริญแผ่ความกรุณาแผ่มุทิตาแผ่อุเบกขาได้จิตใจของเราจะมีแต่ความล่มเย็นเป็นสุขและจะไม่มีเวรมีกรรมกับใครต่างไปก็จะได้ไปสู่สุคติชั้นต่างๆ ฉันมนุษย์ฉันเทพฉันพรมและฉันพระอริยเจ้าเกิดจากการเจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้นั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาเจริญเมตตากรุณามมริตาอุเบกขาให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไป